วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าเพื่อนำพาชีวิตให้ไปสู่จุดสูงสุดของความเจริญนั่นก็คือไปสู่วิมุตติการหนุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและไปสู่พระนิพพานที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุด ที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการที่พวกเราได้มาเกิดในยุคนี้ในช่วงนี้ถือว่าช่วงนี้เป็นยุคทองของชีวิตของพวกเราคำว่ายุคทองของชีวิตก็คือเป็นยุคที่เราสามารถที่จะนำพาชีวิตของเรา ให้ไปสู่ความสูงสุดของความสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้การที่เราจะได้พบกับยุคทองของชีวิตนี้จําเป็นที่จะต้องมีเหตุมีปัจจัยสาประการด้วยกันถึงจะเรียกว่าเป็นยุคทองของชีวิต ก็คือหนึ่งเราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์กันสองเราต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสามเราต้องมีเวลามีศรัทธาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรามีเหตุปัจจัยทั้งสามประการนี้แล้วเราก็จะสามารถนำพาชีวิตของเราให้ดุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เข้าสู่พานิพานที่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขเพียงอย่างเดียวได้ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ เราก็จะไม่มีใครมาสอนมาบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจให้ชีวิตของเราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนวายตายเกิดได้หรือถ้าเรามาเกิดแต่ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงนี้เช่นมาเกิดเป็นสุนัขแล้วก็มาอาศัยวัดอยู่สุนัขที่มีอาศัยอยู่วัดอยู่นี่ ก็จะไม่สามารถที่จะนับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้คําสั่งคําสอนและปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นั่นเองและถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธา ในพระําคํคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะนำมาไปปฏิบัติเราก็จะยังไม่สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นการที่เราจะ ได้ยุคทองของชีวิตนี้เราจำต้องเป็นมีเหตุทั้งสามประการครบบริบูรณ์คือเรา <c oughs> ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้พบพระธรรมคำสอนพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็มีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และน้อมนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราศึกษาและปฏิบัติและเพิ่มการศึกษาเพิ่มการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดำับจนไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากศึกษาและปฏิบัติเพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องของเหตุของผล mm hmm. เหตุก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ mm hmm. ดังในบทสังคคูนที่เราสวดกันสุปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยะยะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผลที่จะตามมาก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอริยบุคคลก็จะปรากฏขึ้นตามลาดับของมรรคผลเมื่อผลขั้นที่หนึ่งก็จะได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันเมื่อผลขั้นที่สองก็จะได้บรรลุปเป็นพระสกิทาคามี มรรคผลข้อที่สามก็จะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีมรรคผลข้อที่สี่ก็จะเป็นพระอาหารหันต์เมื่อได้เป็นมนุษย์ถึงมรรคผลข้อที่สี่ก็จะได้พระนิพพานจะได้ได้อยู่ในพระนิพพานได้ออกจากกองทุก mm. ข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกจากสังสารวัฏถ้ายังไม่ได้ถึงขั้นที่สี่ขั้นพระอาหารหันต์นี้ ยังต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกระยะสั้นๆเช่นถ้าบรรลุเป็นมรรคผลขั้นที่หนึ่งได้เป็นพระโสดาบันถ้ายังไม่บรรลุทำที่สูงกว่านี้แล้วตายไปก่อน mm. ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอีกเป็นมนุษย์อีกแต่ไม่เกินเจ็ดครั้งเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถปฏิบัติ จนหลุดพ้นจากกองทุกได้ออกจากสังสารวัฏได้ถ้าได้บรรลุธรรมขั้นที่สองพระสกิลาคามีมก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวหนึ่งชาติแล้วถ้าได้บรรลุธรรมขั้นที่สามได้เป็นพระอนาคามี พระนาคามีก็คือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังไปติดอยู่ในภพของพรหมอยู่ยังจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะปฏิบัติในขณะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พอได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วจิตก็จะหลุดออกจากปลายภพสังสารวัฏทันที ออกจากการมาพบพบของมนุษย์ออกจากรูปรพบอารมณ์พบพบของพรหมจะไม่มีการกลับมาเกิดในตายพบไปต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแกร่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตาย <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ พระเนื้สงสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดมีความศรัทธาเลื่อมใสที่จะศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้นำเอาไปปฏิบัติกันแล้วถ้าเราสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้เบื้องต้นก็อาจจะปฏิบัตไิได้ได้เล็กๆน้อยๆไปก่อนตามกําลังแต่ถ้ามีความ เพียรพยายามมีศรัทธาที่ไม่ท้อถอยพอเราได้ปฏิบัติได้เห็นผลของการปฏิบัติก็จะมีกำลังใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพิ่มเติมให้มากขึ้นไปแล้วต่อไปเราก็จะสามารถศึกษาและปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อย สุปฏิปันโนชุปปิปันโนญาญาปปิปันโนสามีดิปฏิปันโนสุปปิปันโนก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติดีก็เหมือนนักเรียนที่เรียนดีได้คะแนนดีได้สี่จุดนี่เรียกว่าปฏิปันโนสุปฏิปันโนคือทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ เรียนอย่างเต็มที่ให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างเต็มที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนคือปฏิบัติอันนี้แต่ความจำไม่ได้ยายะปฏิปันโนก็ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ แล้วก็สามีจิตปฏิปันโนก็ปฏิบัติชอบถูกต้องปฏิบัติไม่ผิดพลาดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าส่งสอนให้ปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติตามครบถ้วนบริบูรณ์เช่นในคำสอนที่ส่งสอนให้กับพวกนักบวชให้ปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง ทางสายกลางนี้ก็มีองค์ประกอบอยู่แปดองค์ด้วยกันที่เรียกว่า ม, มรรคแปดปฏิบัติให้ครบองค์ทั้งแปดองค์ก็จะสามารถทำให้จิตหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกแปดองค์ที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ความเห็นชอบเห็นอย่างไรถึงเรียกว่าเห็นชอบก็หความเห็นชอบในกฎแห่งกรรมความเห็นชอบในกฎแห่งตายลักนกี่กมีความเห็นชอบกฎแห่งกรรมก็คือทำดีได้ดีทำเชื่อได้ชื่อทำทำชื่อทำบาปก็จะได้ความทุกข์ทำดีปฏิบัติธรรม ก็จะได้สวรรค์ได้นิได้พานิพานแล้แล้วก็เห็นไกลลักเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วกราวได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการเสื่อมหรือ ม, มีการหมดไปหรือ ม, มีการพัดพากจากกันไป พอเราต้องพัดพากจากของที่เรารักเราชอบไปความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นทันทีดังนั้นเราต้องมีความเห็นว่าเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมจิตใจของเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมร่างกายของเราทรัพสมบัติเก้าของเงินทองทั้งพวงคือลาบยศสรรเส ร, ริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นโน้ผลตะพานี อยู่ภายใต้กฎของตายลับ mm hmm. คือ mm hmm. อ น, นิจจัง mm hmm. ทุกขงาาังอ น, นัตตาอานิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว mm hmm. ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงเวลามันมันไม่เที่ยงเวลามันเสื่อมก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm hmm. เป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปสั่งมันได้เป็นปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศ ไม่มีใครไปสั่งเลนฟ้าอากาศให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้หรือไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้ฉันใดโลกกรรมทั้งสีที่เรามาครอบครองกันมารักมาชอบกันนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นของชั่วข่าวมีการเจริญเจริญราบยศสรรเสริญสุข แล้วก็มีการเสื่อมราบยสสศสารเสื่อมสุขเวลาเสื่อมถ้าอยากให้มันไม่เสื่อมก็จะเกิดความเศร้าใจทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่เราจะต้องมีอยู่ในใจของเราเพื่อที่เราจะได้นํามาไปสอนใจให้คิดไปในทางที่ถูกต่อไปอคือข้อที่สองเรียกว่าสัมมาสังกป ความคิดที่ถูกต้อง mm hmm. คิดอย่างไรต้งอยงคิดที่ถูกต้องคิดที่ที่เป็นไปตามสัมมาทิฏฐิ mm hmm. สัมมาทิฏฐิบอกว่าเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทำบา ก, ก็ต้องเจอกับความทุกข์ทำบุญก็จะเจอกับความสุข mm hmm. ปฏิบัติทำชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะได้ไปนิพพานเพราะเป็นเชนั้นเราก็ต้องคิดอยู่ ว่าต่อไปนี้ชีวิตของเรามีเป้าหมายในการในความคิดในการกระทําแล้วความคิดของเราคือเราต้องคิดว่าเราต้องไม่กระทํำบาปทั้งปวงเพราะเราไม่ต้องการให้ใจเราทุกเวลาทํำบาปใจเราจะทุกแล้วเวลาร่างกายตายไปใจเราก็จะต้องไปเกิดในอบายแต่ยังจะไม่สามารถ หลุดออกจากกองทุกข์ได้ถ้าเรายังทำบาปกันอยู่เพราะเมื่อทำบาปแล้วจะต้องไปใช้บาปในอบายกันดังนั้นเราต้องคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่สมเสมอว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาปเราจะรักษาสิน5ห้าอย่างน้อยรักษาสิน5ห้าในเบื้องต้นก่อนเราต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิประเพณี ละเว้นจากการพูดปดและละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาที่จะทําให้าขาดสติขึ้นมาถ้าไม่มีสติแล้วเวลาใจคิดไปในคิดที่จะทำบาปก็จะไม่มีอะไรมายับยั้งได้แต่ถ้าเวลายังไม่เมายังมีสติอยู่พอคิดจะทํำบาปก็จะสามารถยับยั้งได้ ดังนั้นการดื่มสุลานี้เป็นเหตุเป็นชนวนที่จะทําทให้ไม่สามารถรักษาศินข้ออื่นได้ยังต้องอย่าดื่มสุราย่าเมาอย่าอย่าขาดสติจากการเสพของมึนเมาต่างๆสมัยนี้นอกจากสุราแล้วก็มียาเสพติดหลากหลายชนิดที่เสพไปแล้วก็จะทําทให้บ้าข้างได้จนมีชื่อว่าเป็นญาบา้าขึ้นมา ไปแล้วทำให้คนที่มีสติกลายเป็นคนเสียสติไป่ากขึง้งเวลาเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเกิดอารมณ์ไม่พอใจอะไรก็จะร ะ, ะบายด้วยกิริยาการวาจาที่อยากคายกิริยาการที่ร้ายแรงต่อต่อผู้ทาร้ายผู้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่สามมาสังกปรอเราต้องคิดอยู่เรื่อย คิดละบาปคิดละการกระทำบาปทั้งปวงแล้วสองให้เราคิดสร้างบุญสร้างกุศลกันเพราะถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลใจเราจะไม่มีความสุขใจเราจะถูกอนานาจของกิเลสหลอกให้เราไปหาความสุขจากการไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสปฐพะที่เป็นเหมือนยาเสพติดของใจ ที่เสพแล้วจะติดขึ้นมาแล้วจะอยากจะเสพอยู่เรื่อยๆถ้าถ้าเวลาใดไม่ได้เสพราบยศสรเสริญไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะเวลานั้นใจก็จะเกิดความเศร้าหมองเกิดความเกิดความว้าวเศร้าซร้อยหงอยเหงาเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าเรามันทำความดี สร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะสามารถต้านกิเลสตัณหาตัวที่อยากจะไปเสพยาเสพติดของใจได้เมือตัวที่อยากจะร่ํารวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้มีผู้คนยกย่องสรรเสริญเยือนยออยากได้รูปเสียงกลิน่นรสโหดสะพัสชนิดต่างๆมาเสพอยู่เรื่อยๆเพราะว่า สิ่งอันนี้มันเป็นของชั่วคราวนั่นเองเป็นอ น, นิจจ์ลาบยศสรรเสริญสุขเวลาได้มามันก็ให้ความสุขชั่วคราวเวลามันเสื่อมมันหมดไปมันก็ความสุขที่ได้ก็จะหายไปหมดพอให้ใจกับอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดวายว่าเหวเหมือนกับไม่ได้เคยมีความสุขมาก่อนเลยพอเมืนเกิดความรู้สึกว่าเหวก็เลยต้องทําให้มันให้จิตต้องดิ้นรนขวนขวายไปหา ราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกดลิ่นรสใหม่ต่อไปเรื่อยๆหาได้ก็ก็ดีใจมีสุขใจไปชัว่วคราวถ้าหาไม่ได้ก็จะเครียดและอาจจะถึงขั้นซึมเศร้าต่อไปหรือถึงขั้นที่จะคิดฆ่าตัวตายก็ได้ดันั้นเพื่อป้องกันไม่ให้จิตเราไปติดกับยาเสพติดของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆให้เราหมั่นทําความดี เอาเวลาที่เราว่างว่าเวลาที่เราจะไปห า, าะลาบยศสารเสินี้มาทำความดีกันดีกว่าเอเช่นถ้าเรามีเงินเหลือเฟือพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เราก็ใช้เงินนี้มาสร้างความดีทำบุญได้บริจาคทรัพย์ให้กับผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ได้ที่เราพอใจที่เราอยากจะสนับสนุน พอเราได้บรลจากทราบไปแล้วใจก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาความหิวโหวยจากการที่จะไปหาลาบยศสนะสิรสุขมันก็จะถูกลังับไป <c oughs> ทำความดีถ้าไม่มีเงินมีทองแต่มีเวลาก็เอาเวลาไปทำคุณทำประโยชน์เป็นจิตอาสาถ้าเรามีกำลังกายก็ใช้กำลังกายเป็นเป็นการให้คุณให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น ถ้าเรามีวิชาวความรู้เราก็เอาวิชาวความรู้นี้ไปสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นโดยไม่คิดผลตอบแทนไม่คิดค่าตอบแทนเรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญด้วยวิทยาทานทำบุญด้วยวัตถุทานทำวัตถุทานก็คือข้าวของเงินทองต่าง ๆ, างๆางการกระทำเหล่า น, นี้จะทำให้ใจมีความสุข มีความอิ่มใจในระดับหนึ่งที่จะสามารถต้านความอยากที่จะอยากจะไปเสพยาเสพติดของใจได้ mm hmm. คือราบยศสารเสรลดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ mm hmm. แต่ก็ไม่ได้ห้ามให้เราต้องไปหาเงินหาทอง mm hmm. การหาเงินหาทองนี้ต้องหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปา ก, mm hmm. ปากเลี้ยงทองของร่างกายเท่านั้นเอง mm hmm. เพราะร่างกายเรายังต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ เราต้องเลี้ยงดูร่างกายเราก็จะต้องให้ร่างกายนี้ <c oughs> อยู่ได้ไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนลาบากเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายมาปฏิบัติธรรมต่อไปถ้าอย่างต้องถ้าเร า, างต้องเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยตนเองเราก็ต้องไปทํามาหากินหาเงินหาทองมาเพื่อซื้อปัจจัยสี่เท่านั้นไม่ได้มา ไม่ได้มาหาเงินหาทองเพื่อให้นั่งรวยเป็นเศรษฐีมไม่ได้มาหาเงินหาทองเพื่อให้ไม่ไปหาซื้อยศซื้อตําแหน่งอะไรต่างๆหรือไปซื้อรางวัลอะไรต่างๆ<ม>เราทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรา<ม>ถ้าเราทํามาหากงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเราก็จะไม่ต้องทํามากมเราก็จะมีเวลาว่างให้กับการมาชําระจิตใจของเรา ที่ยังต้องการรับการชำระอยู่คือเหตุที่พาให้จิตใจเรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนั่นเองถ้าเรายังไม่สามารถกำจัดความโลภความอยากต่างๆหมดไปจากใจได้ใจเราก็จะถูกความโลภนี้ความอยากนี้ดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เกิดในการมาพบถ้าเรายัางโลภยังอยากกับลาบยศสรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่เราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีร่างกายหรือถ้าทำบาปเราก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเรามีเวลาให้กับการไปภาวนาปฏิบัติธรรมชำะระสักพอกจิตใจ จิตใจเราก็าจะขาวสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>นี่คือความคิดสามข้อที่เราควรจะคิดควรจะตั้งเป้าหมายของความคิดของเราว่าเราจะคิดแต่จะละการกระทำบาปตลอดเวลาคิดที่จะทําบุญทํากุศล<ม>ถ้าเรามีโอกาส ม, มีเวลาถ้าเรายังไม่ได้ไปภาวนายังไม่ได้ไปซักพอกชำระจิตใจ เราก็ต้องใช้การทำความดีนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเราไปก่อนแต่ถ้าเราสามารถไปชำระจิตใจของเราได้<ม>การทำความดีต่างๆก็อาจจะไม่ต้องทำก็ได้<ม>หรือทำเท่าที่จาเป็นก็ได้<ม>เพราะถ้าเราไปภาวนาแล้วเราก็จะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครดั<ม>้นเราก็ไม่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องไปทำความดี ที่เกี่ยวข้องกับสังคมเราต้องการมาทำความดีให้กับจิตใจของเราให้ปลดครืองจิตใจของเราออกจากอำนาจของกิเลสตัณหาที่พาให้จิตเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อ ย, อยอนี่คือสัมมาสังกปรความคิดที่ถูกต้องอคิดอยู่เรื่อยๆต้องละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ทักฟองจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาทำสอนจิตใจให้ฉลาดให้เห็นกฎของตายักให้เห็นกฎของอริยาาสัจสีเห็นกฎแห่งกรรมถ้าเห็นกฎเหล่านี้แล้วจิตใจก็จะมีการกระทําที่ถูกต้องถ้าเราคิดอย่างนี้ ว่าเราจะละการกระทําบาปมันก็จะนําไปสู่มรรคข้อที่สามคือสัมมาการมันโตคือการกระทําที่ถูกต้อง<ม>การกระทําที่ถูกต้องก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นมไม่ทําร้ายผู้อื่น<ม> ก, ก็จะก็จะรักษาศีลกันก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย<ม>์ไม่ประพฤติผิดประเพณี<ม><ม>อันนี้คือสัมมาการมันโต มรรคองค์ที่สามต่อจากสัมมาสามังกปรอพอเราคิดอยู่เรื่อยว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาปแล้วเราจะละการกระทำบาปพอเราจะไปพอเราคิดจะไปฆ่าสัตว์เราก็ต้องหยุดอันนี้เป็นการฆ่าสัตว์เป็นการบาปนั่นเองหรือเราจะไปลักทรัพย์ของผู้เราก็ต้องยุติหยุ ด, ห, ยดหรือว่าเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้ใครเป็นชู้ กับสามีภรรยาของผู้เราก็ต้องหยุดเนี่ยสัมมาเโตนี้ก็มีอยู่สามข้อเราจะนวมเข้าไปข้อหนึ่งก็ได้ก็คือการไม่ดื่มสุรายาเมาเพราะการดื่มสุรายาเมาแล้วจะทําให้ไม่สามารถครวบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดความคิดที่ยำละการกระทําบาปอาจจะกลายเป็นความคิดที่อยากจะทําบาปขึ้นมาก็ได้ถ้าเรามี สติขอยับยั้งความคิดไม่ดีได้มิจฉาสังกโปความคิดที่ไม่ชอบก็คิดแต่จะทำบาปคิดแต่จะเบียดเบียนพูดอันนี้เราก็ถ้ามีสติเราก็ยับยั้งมันบอกนี่ไม่ใช่สัมมาสังกโปไม่ใช่ความเห็นชอบความคิดชอบความคิดชอบก็คือต้องไม่ทำบาปเราก็จะมีสัมมารกรมมันโตเป็นมรรคข้อที่สาม คือเราจะมีศีลนั่นเองเบื้องต้นก็มีศีลศีลสามข้อในคือการกระทําทางกายมีอยู่สามข้ อ, อรวมทั้งการดื่มชาก็มีอยู่สี่ข้อแล้วเราก็จะไปไปที่มรรคข้อที่สี่คือสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องก็คือการไม่พูดปลนั่นเองอันนี้ สัมมาวาจานี่มีอยู่สองระดับดยกันสำหรับผู้คองเรือนนะสำหรับผู้ผู้เป็นนักบวชถ้าเป็นผู้คองเรือนนักษาศีลน้าก็เพียงแต่สัมมาวาจาก็คือการไม่พูดปดหรือศีลแปก็ยังถือว่าเป็นของคารว์อยู่ก็การไม่พูดปดเป็นสัมมาวาจาของคารวะแต่ถ้าเป็นนักบวชเป็นพระเป็นแม่ชีเป็น เป็นพิกษุนีเป็นสัมมาเนี้สมมาวาจานี้จะละเอียดเข้าไปรือนอกจากการไม่พูดปดแล้วต้องไม่พูดคำหยาบไม่พูดไม่พูดไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่พูดสาเสียนคาว่าสาเสียนนี้ไม่ได้หมายคำว่าเสียดสีสาเสียนนี้คือการพูดที่ยุให้ผู้อื่นเขาทะเลาะกันแตกแยกกัน แล้วก็พูดสอนเสียดเราจะไม่ยุยงให้คนทะเลาะกันเกลียดชังกันเราจะพูดเพื่อให้คนรักกันชอบกันให้อภัยต่อกันและกันอันนี้ก็อยู่ในสัมมาวาจาขึ้นอยู่กับสถานภาพของผู้ปฏิบัติว่าเป็นภารวะหรือเป็นผู้ครองเรือหรือเป็นบนรรพชิตนักบวชนักบวชก็จะต้องมีวาจาที่เรียบร้อยเพราะว่านักบวชนี้ ต้องรักษาความดีงามไว้เพราะว่าเป็นผู้อยู่ด้วยการให้ของผู้ที่มีจิตศรัทธาถ้าทำตัวไม่ดีศรัทธาก็จะเสื่อมแล้วก็จะลำบากถ้าไม่มีศรัทธาคอยสนับสนุนการนั้งบทกิริยาวาจาการกระทำจึงต้องเรียบร้อยไม่มีข้อตำหนินี่ก็คือสัมมาวาจา มรรคองที่สี่ต่อมาก็มรรคองที่ห้าก็คือสัมมาอาชีว์ธรรมอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพคืออาชีพที่ไม่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหเดือดร้อนเช่นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ก็ต้องต้องไม่ทำครับหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิตที่เราขายไปแล้วเขาอาจจะเอาไปฆ่าต่อไปได้ ขายเป็ดขายไก่ขายอะไรก็ตามที่เขาจะเอาไปเชื่อต่อไปก็ไม่ควรทำอาชีพแบบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ขายเราไม่ได้ค่าเองแต่เราก็ไปส่งเสริมให้ผู้อื่นเขาค่าได้ง่ายขึ้นเบียดเบียนสัตว์ที่เราเลี้ยงเลี้ยงมาเพื่อจะเอาขายขายชีวิตเขาเพื่อมาเลี้ยงชีวิตเราเนี้เ อ, อเป็นอาชีพที่มีชอบหรืออาชีพที่ขายของที่จะทำให้เกิด ควเสียหายต่อผู้อื่นเช่นขายสุรายาเมา <S <S เพราะว่าถ้าขายสุรายาเมาคนที่มาซื้อสุราไปดื่มพอเกิดอาการมึนเมาก็จะละวาดอารวาดทำร้ายผู้อื่นได้ทําให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตได้ <S <S อันนี้ก็ต้องละเว้นไม่ใช่เป็นสัมมาชีพหรืออาชีพที่ขายกับดัก สิ่งที่ไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นขายเบ็ดขายกับดักสัตว์นี้ก็ต้องไม่ไม่ทำหรืออาชีพขายอาวุธต่างๆอาวุธปืนผาหน้าไม้อันนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรทาเพราะมันจะไปทำให้ผู้อนเขาต้องเดือดร้อนให้ทำอาชีพที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ชเช่นอาชีพขายเสื้อผ้าอย่างนี้ขายอาหารอย่างนี้ เป็นปัจจัยสี่ขายบ้านขายอะไรอันนี้เป็นอาชีพที่เป็นสัมมาชีไม่ไม่ได้ทำให้เกิดโทษแต่เกิดคุณเกิดประโยชน์เพราะทุกคนต้องต้องมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงชีวิตของตนต้องมีอาหารต้องมีเครื่องนุ่งหม่มต้องมีที่อยู่อาศัยต้องมียารักษาโรคขายยาหรือเป็นอาชีพเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอย่างนี้ถือว่าเป็นสัมมาชีพ อย่าไปทาอาชีพไปตกตกปลามาขายหรือไปดักสัตว์เอามาขายอันนี้เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำเพราะเป็นสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อันนี้คือสามอาชีพสาหรับผู้ครองเรือนส่วนสำหรับนักบวชนี้พระเจ้าบอกอาชีพที่สุดจริตที่ดีที่สุดสำหรับนักบวชก็คือการออกบินธบาต การออกบินนาบานี้เป็นการเลี้ยงชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่มาเป็นนักบวชเพราะว่าการบินนาบานี้จะช่วยทำให้มีความเพียรให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะจะต้องเดินหลายกิโลด้วยกันก่อนจะเสร็จจากบินนาบานเพราะในสมัยก่อนนี้พระจะอยู่ตามสถานที่ในป่าต้องใช้อยู่ห่างไกลจากระแวกหมู่บ้านประมาณสองกิโลขึ้นไป ก็ต้องเดินไปกลับอย่างน้อยก็สามสี่กิโลและอาหารที่ได้มาก็ไม่ได้เป็นอาหารที่วิเศษวิโสอะไรไม่เหมือนกับอาหารที่เขาจัดเลี้ยงไว้เวลานิมนต์ไปไปฉันที่บ้านเพช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาถือว่าเป็นเวลาพิเศษจัดงานเลี้ยงฉลองอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งฉลองครบรอบอายุฉลองงานแต่งงานก็มักจะ มีแขกมาเยอะเอาอยาตรียมอาหารที่ปราณีตไว้ถวายพระด้วยเอาใจาไม่ต้องการให้พระนี้ไปไม่ยินดีไปติดกับอาหารที่ปราณีตให้ยินดีตามอาหารที่เขาให้มาแบบอาหารที่เขาให้ขอทา น, นการบิณรบาดก็คือการขอทานต่างตรงที่ว่าไม่ไปขอเท่านั้นบินรบาตก็เดินไปในละแวกบ้านแล้วแต่ใครมีศรัทธาอยากจะ รมบุญก็สามารถแบ่งอาหารที่เขามีไว้มาใส่บาตรได้อันนี้เป็นการฝึกความมาักน้อยสันโดษของพระของนักบวชอุทเจ้าทรงสอนพระทุกลูกทรงสอนให้พระอุปชาที่บวชพระทุกลูกให้สอนวิธีเลี้ยงชีพเลี้ยงปัจจัยปัจจัยสี่ของพระมีอะไรบ้างปัจจัยสี่ของพระก็คือเนี่ยบินบาบ เลี้ยงชีพแล้วก็อยู่ตามโคนไม้ไม่ต้องไปสร้างกุฏิไม่ต้องไปสร้างอะไรให้มันหรูหลาให้มันเสียเวลามากเกินไปเพราะพระสมัยก่อนนี้จะเป็นพระปฏิบัติมักจะนิยมอยู่ตามป่าตามเขาและก็มักจะเคลื่อนที่อยู่เรื่อยๆอยู่ไปสักพักหนึ่งพอรู้สึกชินกับสถานที่แล้วสติสตังไม่ค่อยดีแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ใหม่ เาการเปลี่ยนสถานที่นี้เวลาไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยอยู่นี่มันจะกระตุ้นให้มีสติให้มีความระมัดระวังกับสิ่งต่างๆรอบด้านพอไปอยู่ที่ไหนสักพักแล้วเริ่มรู้สึกว่าสติเริ่มไม่มีแล้วสติเริ่มหย่อนยานแล้วก็ย้ายที่ต่อไปไปหาที่ใหม่ไปหาที่ที่มีที่กระตุ้นให้มีสติเพิ่มมากขึ้นออพระ สมัยก่อนจึงเป็นพระทุดงกันเป็นส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ตามวัดกันเป็นอาจจะอยู่ บ, าบา้างบางครั้งบางเวลาบางช่วงอยู่ก็ศึกษาพระธรรมคําสอนจากครูบาอาจารย์แต่พอได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติแล้วก็มักจะไปปีกวิเวกไปทุดงกันอสอนให้พระอยู่ตามคนไม้อยู่ในปา่าคนไม้ก็อยู่ในปา่า แล้วก็ทำเพิงจากกิ่งไม้ใบไม้การแดดการฝนพอไม่ให้รับพอไม่ให้ร่างกายเปียกปอลก็พอหรือให้อยู่ตามถ้ำก็ได้ตามเนื้อมผาก็ได้หรือถ้ามีเรือนร้างที่เขาทิ้งไว้ไม่มีใครใช้ใครอยู่ก็อยู่ใช้เรือนร้างก็ได้ <Yeah. S 1> นี่เป็นที่อยู่อาศัยของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายก็ว่าได้ <Yeah. S 1> แล้วก็ข้อที่สาม ก็คือให้ใช้ผ้าบางสกุลเครื่องนุ่งหม่มผ้าบางสกุลก็คือผ้าหอ่อศพสมัยก่อนนี้เขาไม่นิยมเอาไปเผาหรือเอาไปฝังมันยุ่งยากสู้เอาผ้ามัดแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าปล่อยให้ธรรมชาติจัดการไม่นานไม่กี่ไม่กี่เดือนน่างกายมันก็จะเน่าเปื่อยแล้วก็แห้งกรอบไปในที่สุด ผ้าที่ห่อศพก็ไม่ไม่มีความจําเป็นสมัยก่อนนักบวชมักจะนิยมไปเอาผ้าห่อศพมาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นผ้าจีวรกันยุคแรกๆของมัทธศาสนาก็นิยมทํำแบบนี้ไปใช้ผ้าบางสกุลกันที่สมัยนี้เราเรียกว่าผ้าป่าควาจริงผ้าป่าแล้ววงเล็บคําว่าชาเข้าไปด้วยมันเป็นผ้าที่เอามาจากป่าชาผ้าป่านี่คือผ้าที่เราไปเก็บมาจากป่าช้า ไปชักผ้านียชักผ้าออกจากศพไปดึงผ้าออกจากศพเราไปชักผ้าป่าแต่สมัยนี้เขาเอาเอาต้นไม้ใส่กระถางไม้ต้นเล็กๆแล้วก็เอาผ้าผ้าผ้าอย่างดีที่ขายตามตลาดมาให้พระไปชักกันอันนี้มันเป็นเพียงผ้าป่าเทียมไม่ใช่ผ้าบางสกุลที่แท้จริงแต่สมัยนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้แล้วเพราะเราไม่นิยมที่จะ เอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้ากันเรามักจะเอาไปเผากันเนื้อไปฝังกันตามธรรมเนียมตามความเชื่อของแต่ละศาสนาแต่ความหมายก็คือให้พ้ะใช้ของฟรีของที่หาได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินโดยที่ไม่ต้องการไปรบกวนญาติโยมเพราะว่าไม่ต้องการให้าญาติโยมคิดว่าศาสนานี้มามารีดมาถ่ายให้ศรัทธาญาติโยม ศาสนานี้ไม่มีเจตนาที่ต้องการอยลกรีดไถเงินทองทรัพย์สินข้าวของจากศรัทธายาดอยู่แต่ก็สอนให้ทําบุญทําทานถ้าอยากจะให้มีความสุขใจถ้าอยากจะไปสวรรค์จะทําบุญมากน้อยเท่าไหร่ก็ทําได้แต่สําสหรับตัวพระเองนี่ให้หาเองบินธบาตก็ให้เดินบินธบาติไม่ให้ไปขอผ้าก็ไปชักผ้าบางสกุล ที่วาสัยก็ไปอยู่ตามป่าตามคนไม้ทําที่ตาเพิงกันแดดกันฝนด้วยกิ่งไม้ใบไม้ของตอนนี้ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้เวลามากไม่เสียเวลามากเพื่อที่จะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเอง<ช>แล้วปัจจัยข้อที่สี่ก็คือยารักษาโรคก็<ม>สอนให้รักษาโรคด้วยยาดองน้ํามูด น้ำมอลก็คือ น, น้ําปัสสาวะอย่างน้ําปัสสาวะของเรานี่สามารถเอามาทําเป็นยาได้เอามาดองกับพวกสมอพวกมะขามป้อมทิ้งไว้สักพักหมักไว้สักพักเนาะน้ำมันก็สามารถดื่มได้เวล า, กลกาเกิดโรคภัยไข้เจ็บปวดท้องปวดศรีรษะอะไรก็ดื่มยาพวกนี้ไปดื่มดื่มยาดองกันไปนี่คือวิธีการการอยู่ของพระในสมัยพุทธกาล ที่พระอุปชายังต้องสอนพระที่มาบวชใหม่ทุกลูกแต่สอนแล้วก็เหมือนข้าหูซ้ายออกหูขวาบางทีบวชบวชพระก็บางทีก็ไม่ได้บินเาบา้านมีคนนิมนต์ลญาติโยมนิมนต์ไปฉันที่บ้านน้องญาติโยมนิมนต์ให้รอรับอาหารที่จะนำมาจากบ้านมาถวายบ้างไม่อยากจะให้พระลําบากอยากจะให้พระอยู่ดีกินดีก็ถือว่าพระนี้เป็นผู้มีสิง ผู้มีสีนี้ต้องอยู่ดีกินดีอยู่สุบอยู่สบายใช่ไหไมฮะเขาไม่รู้แต่ว่าการอยู่ดีกินดีอยู่สบอยู่สบายนี้มันเป็นเหมือนกับอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาก็คือการมาฉันทะนั่นเองอความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระของอาหารก็จะทําทให้ติดจะทําทให้ทุกเวลาวันไหนไม่ได้กินอาหารที่ถูกใจออ ตาหลักของนักบวชแล้วต้องกินอาหารแบบยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็กินไปตามมีตามเกิดมีมากมีน้อยก็กินไปชอบไม่ชอบก็กินไปไม่ได้กินเพื่อเพื่อให้ถูกใจไม่ได้กินเพื่อให้เกิดความสุขใจจากการที่ได้กินอาหารที่ถูกใจให้กินอาหารเพื่อรักษาเลี้ยงดูร่างกายเพื่อดับความหิวของร่างกายเพื่อ เพื่อรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองอ น, นี่คือเรื่องของอาชีพของพระเลี้ยงดูด้วยปัจจัยสี่แบบที่ไม่ไปสร้างความเสียหายไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปสร้างความลำคาญให้แก่ชาวบ้านเพราะห้ามขอพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าสั่งไว้ก่อนว่าห้ามขอจากบุคคลที่เราไม่รู้จักจากบุคคลที่ไม่ใช่เป็นญาติ จากบุคคลที่เขาไม่ได้ปาวานาตัวไว้ก่อนเขาได้จากคนที่ปาวานาไว้ก่อนเช่นมีบุคคลมีศรัทธาอยากจะสนับสนุนพระรูปใดรูปหนึ่งก็อาจจะปาวานาว่าถ้าท่านขาดปัจจัยสีอย่อย่างใดอย่างหนึง่งก็ขอโปรดบอกให้ข้าพเจ้าได้ทราบด้วยข้าพเจ้ายินดีที่จะจัดมาให้เช่นถ้าขาดยาหรือจะต้องไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลข้าพเจ้าก็ขอรับอาสา พาไปอย่างนี้ถ้าเขาถ้าเขาภาวนาตัวก็บอกเขาได้เวลาที่เกิดความจําเป็นที่จะต้องมีใช้ปัจจัยปัจจัยสีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้าเป็นญาติพี่น้องนี่ก็บอกกันได้เพราะญาติพี่น้องถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ถ้าไปขอคนอื่นคนที่ก็ไม่ได้ปภาวนาก็อาจจะลาคาญหรือเบื่อแล้วศาสนานนี้มีแต่มีแต่พวกขอทานนะัขอเช้าขอเย็น ขออยู่เรื่อยๆอันนี้การขอนี้ก็แบบเช่นการเรียลายนี้ก็ถือว่าเป็นการขอแะติดป้ายประกาศในเฟซเบาะเบลบัญชีธนาคารหมายเลขธนาคารอขอเชิญน่วมบุญทํานู่นทํานี่อะไรไปสร้างบุติสร้างศาล า, ราสร้างโบสถ์สร้างเจดียด์อะไรอันนี้เรียกว่าเป็นการขอทั้งนั้นนะถ้าไม่ขอก็ไม่ต้องไม่ต้องเรียรายไม่ต้องให้บัญชี ถ้าคนเขาอยากจะทําบุญเดี๋ยวเขาสอบถามเองว่ามีหมายเลขบัญชีไหมเราก็ให้เขาได้อย่างนี้การเลีย่ยไรนี้ก็พูดตามความจริงมันก็ผิดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าไม่ได้สอนให้เรีร่ะไรพระพุทเจ้าไม่ได้สอนให้มไม่ได้เน้นในการมาสร้างถาวรและวัถตถุต่างๆถาวรและวัตถุตที่จําเป็นก็มีแค่กุฏิที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้เนี่ยอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถาม้ำถ้ำเพิง ด้วยกิ่งไม้ใบไม้ก็พอแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียร์ลายของเงินขอทองสร้างกุฏิสร้างอะไรขึ้นมาแต่ถ้าศรัทธายาโยมมีจิตศรัทธาอยากจะสร้างก็ไม่ห้ามอย่างสมัยพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียวแต่มีศรัทธาที่มีฐานะการเงินดีเช่นพวกพระเจ้าแผ่นดินหรือพวกเศรษฐีสร้างวัดให้ถวายให้พระพุเจ้าพำนักเวลาที่พระุเจ้าผ่านมา พราจารยจะจ ะ, จะไม่ได้อยู่กับที่ไปเรื่อยๆฉันชอบจารลิกเปลี่ยนที่ไปเผยแผ่ธรรมะสมัยก่อนการเผยแผ่ธรรมะต้องไปด้วยตัวเองไม่เหมือนสมัยนี้เรามีสื่อไม่ต้องไปก็ได้ตอนนี้นั่งผู้อยู่ตรงนี้ก็สามารถไปได้ทั่วโลกนะคนอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังได้แต่ในสมัยพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าต้องเดินไปเดินจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งเพื่อที่จะได้ไปโปรดไปสั่งไปสอน ผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะเรียนรู้ธรรมะต่างๆเมื่อเขาเห็นพระพุทธเจ้าไม่มีที่อยู่อาศัยคนที่เป็นเศรษฐีก็ดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ดีก็จะสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพระพุทธเจ้าถวายสร้างวัดให้กับพระพุทธเจ้าอยู่แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยไปขอให้เขาสร้างเลยแม้แต่วัดเดียวท่านปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องศรัทธาถ้าไม่มีท่านก็อยู่ตามคนไม้ได้อยู่ตามสวนได้ ช่วงที่ท่านปฏิบัติก่อนตัดสรลุท่านก็ไม่มีกุติไม่มีบ้านอยู่ท่านก็อยู่ตามโคนไม้ตัดสะุก็ตัดสะลุใต้โคนไ ม, ม้เวลาแสดงธรรมพระธรรมพระธรรมเทศนาข้า้งน้กก็แสดงภายใต้โคนไม้นี่คือวิธีการการการอยู่ของนักบวชสัมมาอาชีวของนักบวชก็คืออยู่โดยที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ไม่ไปสร้างความนำคัญ ไปเบียดเบียนผู้ด้วยการขอแต่ถ้าเข า, ย, ายินดีอยากจะทำอะไรถวยให้ถ้าไม่ผิดกับกับกฎของของศีลของพระกฎธรรมวินัยหรือไม่ผิดกับหลักธรรมการปฏิบัติก็รับได้แต่ถ้าผิดกับหลักธรรมก็ท่านก็อาจจะปฏิเสธได้เหมือนกัน<ม>อันนี้คือข้อข้อที่ห้าเรียกว่าสัมมาชิโว ข้ที่ก็คือสัมมาวายาโมสัมมาวายาโมนี้แปลว่าความเพียรชอบความเพียรชอบนี้เพียรยังไงถึงว่าถึงว่ามีความเพียรที่ถูกต้องก็เพียรรักษาศีลหรือเพียรละการกธรรมบาปนั่นเองเพียรเพียรรักษาศีลเพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็เพียร ชำนาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพียนบําเพ็ญจิตตภาวนาจเจริญสติเดินยงกรมนั่งสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจที่มันมีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่มองมันเราเลยมองไม่เห็นนันเชื่อไหมธรรมะที่พระเจ้าสอนพวกเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นอริยสัจสิอย่าไปหาที่ไหนมันอยู่ในใจของเรา ทุกวันนี้มันแสดงให้เราเห็นแต่เราไม่เห็นมันเองเวลาเวลาใดที่เราทุกข์นี่ใจไม่สบายนี่ก็เรียกว่าอริยสัจข้อที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วทุกขสัจเกิดขึ้นแล้วอริยสัจสี่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากอะไรก็ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษคนนั้นว่าเขาพูดไม่ดีกับเราโทษคนนั้นว่าเขาหลอกเราแล้วไม่เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ ต้นเหตุของความไม่สบายใจหรือความทุกข์ใจของเรามันเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้เขาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็โกรธเขาเสียใจออยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้กับเราพอเขาไม่ทําให้กับเราเราก็เสียใจทุกข์ใจไม่สบายใจหรืออยากจะให้สมบัติของเรามีมากขึ้นไม่ให้ลดน้อยถอยลงไปพอเงินที่มีอยู่ลดน้อยถอยลงไปหน่อยก็ไม่สบายใจแล้ว พอหุ้นตกหน่อยนี่ถ้าเล่นหุ้นก็เล่นใจไม่สบายแลใจทุกข์แล้วเพราะไม่อยากให้มันลงอยากจะให้มันขึ้นในความทุกข์ใจมันอยู่ที่ใจเราอริยสัจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแต่เพื่อมันแสดงแค่สองข้อแรกเท่านั้นก็คือข้อทุกข์กับข้อสมุทยัยส่วนข้อที่สาที่สี่ก็คือการที่ทําให้ทุกข์หายไปนี้มันไม่เกิดเพราะเราไม่รู้จักวิธีทําให้ทุกข์มันหายไปว่าทําอย่างไร พอาเราไม่รู้สาเหตุของความทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเรามาได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราไม่สบายใจทุกใจนี้มันเกิดจากความอยากของเรา <S <S อยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ึ้นถ้าเราอยากจะหายทุกข์ก็ง่ายๆก็อยากก็เปลี่ยนใจถ้าไม่เอาก็ได้อยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ไม่เอาก็ได้อยากเป็นนายกพอไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นก็ได้ อยากจะเป็นเศรษฐีพอไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ไม่เป็นก็ได้อยากถูกหวยพอไม่ถูกหวยก็ไม่ถูกก็ได้ถ้าเราตัดความอยากได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์การจะตัดความอยากได้เราก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นตายรักนั่นเองมันเป็นของไม่เที่ยงเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้รวยไม่ได้สั่งให้เป็นนายกไม่ได้อยากเป็นนายกแล้วสั่งให้เป็นมันเป็นไปไม่ได้ บางทีก็โชคดีจังหวะดีอาจจะเป็นก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนถ้าไม่เป็นก็อย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองเพราะต้องยอมรับว่ามันเป็นใตรักเป็นของไม่แน่นอนนี่แหละคืออริยาาสัจสีที่มันมีอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาแต่เราไม่รู้กันไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเวลาเกิดความทุกข์ทีก็ไปแก้ข้างนอกโดยไม่พอใช้ก็วิ่งหาเงินกันไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปหางาน เพิ่มขึ้นมาเพืจะได้เอาเงินมาใช้กันวิธีที่แกงง้ง่ายๆก็คืออย่าไปอยากได้เงินก็จบไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้เงินอยู่แบบขอทานไปบ้างก็ดีไม่เปจะลําบากตรงไหนเลยอยู่ได้ถ้าเราต้องการจะปรับตัวเอง้มันอยู่ได้แต่เราไม่ยอมปรับตัวเองไม่ยอมลดความอยากของเราอยากจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอย่างที่เราเคยอยู่ตลอดเวลาพอเราไม่สามารถอยู่แบบที่เราเคยอยู่ได้เราก็ทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าเรามองความจริงว่าเออตอนนี้เราเงินไม่พอที่จะอยู่แบบนั้นแนละ้วเราก็ต้องลดค่าใช้ใจ่ายลงนะลดลดการกินการอยู่อะไรให้มันถูกลงหน่อยใครกินของแพงๆก็เปลี่ยนมากินของถูกๆมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้จักปรับใจลดความอยากของเราลงไปเพราะความอยากของเรามันเป็นตัวสร้างความไม่สบายใจสร้างความทุกข์ใจให้กับเรานะนี่ก็คือการมีสัมมา ว่ายาโมความเพียรชอบอเพียรที่จะละบาปเพียรที่จะเพียรที่จะทําบุญทํากุศลแล้วเพียรที่จะชำระจิตใจชำระเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์เหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์ก็คือตัณหากิเลสตัณหาต่างๆความโลภความอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากให้ลาบยศสรรเสริญสุขเจริญไปตลอดอพอมันเสื่อมลงมาก็ทุกข์ใจกัน ก็ต้องปรับใจว่าราบยศสลรเสินสุขมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงมีเค้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมเราต้องปรับใจให้เข้ากับความเป็นจริงเวลาเสื่อมก็ต้องยินดีกับความเสื่อมเวลาเจริญก็ยินดีกับการเจริญถ้ายินดีอย่างนี้มันก็จะไม่ทุกข์กันแต่เราใจเอาแต่ยินดีแต่กวลมันเจริญเวลามันไม่เจริญเราไม่ยินดีพอเราไม่ยินดีใจเราก็เลยทุกข์กันขึ้นมา เพียนเพียนศึกษาเพียนปฏิบัติเนีย่ยสามข้อนี้เพียรนักษาศีลอย่าทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเรายังมีโอกาสมีเวลาที่จะทำบุญทำกุศลได้ทําไปทํากับพ่อกับแม่ก็ได้ทํากับผู้มีพระคุณก็ได้ทํากับพระศาสนาก็ได้ทํากับสังคมทํากับโรงพยาบาลทํากับโรงเรียนก็ได้ทําแล้วมันจะทําทให้ใจเรามีความสุข ทำให้เราไม่ต้องไปหิวโหยกับเรื่องของราบยศสรรเสริญสุขมากเกินเกินไปแลวเราจะทำให้เราไม่ต้องทำงานมากต่ทำให้เราเริ่มมีเวลาว่างที่เราจะได้ไปปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อซักฟอกจิตใจของเรากำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการมีด้วยการมีปัญญาเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมกักเห็นตายลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความเพียรชอบ พอเรามีความเพียนชอบแล้วเราก็จะมาข้อที่เจคือมีสติชอบเพราะการจะมีความเชียนความเพียนชอบที่จะทําให้เกิดผลเราต้องมาเพียนการเจริญสตินี่ถ้าเราต้องการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์บำเพ็ญจิตตภาวนาสิ่งแรกที่เราจะต้องมีกันก็นกคือสติเราต้องมีสติตลอดวันตั้งแะ่ตื่นจนหลับสตินี้เป็นเหมือนกับตัวควบคุมความคิด ถ้ารามีสติเราสามารถหยุดความคิดได้ป้องกันไม่ให้ความคิดเกิดขึ้นได้เพราะว่าการที่เราจะภาวนาช่วซักพอกชำระจิตใจให้สะอาดนี้เราต้องทําจิตใจให้สงบให้ได้เพราะการทําจิตใจให้สงบนี้เราก็เท่ากับซักพอกจิตใจไว้ไว้ไปครึ่งหนึ่งแล้วคือเวลาจิตใจสงบกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความเศร้าหมองสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายต่างๆมันก็จะสงบตัวลง ใจเราก็จะพบกับความสุขซึ่งเป็นเหมือนความสุขของพระนิพพานเลยเพียงแต่ว่ามันยังเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเราต้องเจริญสติมันเจริญสติทั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าทำที่บ้านไม่ได้ทำตามถ้าทในช่วงเวลาที่เราต้อ ง, องทำอาหากินไม่ได้ก็หาไปทำในช่วงที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่าง เช่นวันพระวันหยุดเนี่ยช่วงนี้หยุดสามวันแทนที่จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจันก็ไปภาวนากันไปอยู่ตามวัดปฏิบัติไสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกไปเจริญพุทโธพุทโธเนี่ยเจริญสติด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติมีมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธ ถ้าเราพุโทโธไปไปในใจความคิดต่างๆที่มีในใจมันก็จะคิดไม่ได้หรือถ้าคิดได้ก็คิดไม่ได้มากไม่ไม่ได้ยาวไมไ่ต่อเนื่องเมื่อมีมีแรงต้านพุโทโธนี่จะมาต้านความคิดต่างๆตอนต้นหน่อยจะต้านได้นิดหน่อย <plin kav ram> เพราะพุโทโธยังมีกําลังไม่มากเพราะเรายังพุโทโธไม่มากพอแต่ถ้าเราขยันพุโทโธยิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้านานเท่าไหร่มันจะมีกําลังที่จะต้านความคิดได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนเราสามารถที่จะ นั่งสมาธิแล้วทำให้ความคิดนี้หายไปได้เลยคอาคิดหยุดไปเลยถ้าเรามีสัมมาสติแล้วเราไปฝึกสมาธิเราก็สามารถได้ได้สมาสมาธิคือได้อัปปนาสมาธิหรือคณิกะสมาธิอันนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิจิตสงบนิ่งศักแต่ว่ารู้เต็มไปด้วยอุเบกขาเต็มไปด้วยความสุขไม่ไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อให้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเทพเห็นพรหมเห็นอะไรทั้งนั้น นั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบให้ว่างเพราะความว่างความสงบของจิตนี้แหละเป็นความสุขที่สูงสุดไม่มีความสุขันใดในโลกนี้ที่จะเสมอเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบเพราะถ้าเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะได้ทิ้งความสุขทั้งอื่นไปได้หมดทิ้งความสุขจากลาบยศสรรเสริญทิ้งความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดไปได้นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิ ตอนต้นก็เจริญสติก่อนเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวทํางานทําการทําอะไรก็ฝึกสติไปพอเรามีเวลาว่างเราก็ต้องมานั่งเฉยๆเพราะการที่จะทําให้จิตนิ่งสงบได้เต็มที่เต็มร้อยนี้ร่างกายต้องไม่ทําอะไรเพราะถ้าร่างกายยังทําอะไรอยู่ก็แสดงว่าใจยังทํางานอยู่เพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวถ้าเราไม่ต้องการให้ใจทํางานเราก็ต้องปล่อยให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแล้วใจอย่าไปยุ่งกับร่างกาย มาเจริญสติมาหยุดความคิดเพราะร่างกายอยู่เฉยจิตก็ไม่ต้องไปทํางานกับร่างกายจิตก็จะถูกสติหยุดความคิดให้ให้หยุดเต็มที่ได้พอจิตหยุดนิ่งเต็มที่จิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้ความสงบได้ความว่างได้ความเย็นได้ความสบายได้อุเบกขาปรากฏขึ้นมาในใจอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิแต่สมาธิบางอย่างนี่มันเป็นมิ ช, ชาสมาธิ เป็นจิตของบางคนบางคนพอจิตสง บ, บแล้วมันไม่นิ่งมันไม่อยู่เฉยเฉยมันออกไปเที่ยวในโลกที่พวกนี้เราเรียกว่าพวกอุปจารสมาธิพวกนี้ก็เป็นไปได้แต่น้อยมากคนที่จะได้อุปจารสมาธิและก่อนจะได้อุปจารสมาธิต้องผ่านสมมาสมาธิก่อนต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อนไม่ใช่นั่งเริ่มนั่งพุโทโธพุโทโธแล้วก็เริ่มเห็นนูน่นเห็นนี่อันนี้เห็นด้วยความคิดปรุงแต่งของจิต ถ้าจะเห็นแบบเห็นของแท้ของจริงนี้ต้องจิตรวมเป็นอัม ป, ปนาสมาธิเพียงแต่ว่ามันไม่อยู่เฉยๆในในอัม ป, ปนาสมาธิมันมีแรงผลักดันให้ออกไปท่องในโลกทิพย์ไปเห็นกายทิพย์ต่างๆเพระพุทธเจ้าใช้อุอปจารสมาธินี้เวลาแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาทั้งหลายต้องติดต่อกับเทวดาต้องใช้อุปจารสมาธิเพียงแต่ว่าอุปจารสมาธิมันไม่มีประโยชน์ต่อการเจริญวิปัสสนา เพราะมันไม่้มีอุเบกขามันไม่ไดบบไ้ทำให้ใจนิ่งวางเฉยเวลาออกจากอุปจารสมาธิใจก็ไม่มีกําลังเวลาเจอความโลภความอยากใช้ปัญญาพิจารณาก็ไม่สามารถหยุดความโลภความอยากได้แต่ถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธินี่ใจจะมีอุบเบกขามีความสามารถที่จะวางเฉยได้เวลาออกจากสมาธิมาเจอความโลภความอยากก็เฉยกับความโลภเฉยกับความอยากได้ ถ้าปัญญาสอนว่าความโลคความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์นนี้ก็คือมรรคที่มีองค์8ตั้งเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปะความคิดชอบสัมมากรรมโตการกระทําชอบสัมมาวาจาการการพูดชอบวาจาชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวาญโมวความเพียรชอบ สัมมาสติและสัมมาสมาธิถ้าใครอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าสร้างมรรคที่มีองค์8ดนี้ได้ครบบริบูรณ์ผลก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถทําให้กับชีวิตของเราได้ในยุคทองของชีวิตถ้ามาเกิดในยุคอื่นยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาหรือมาเกิดแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์นี่ไม่ไม่ใช่ถือว่าเป็นยุคทอง หลือเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่มีความศรัทธาไม่มีไม่สนใจไม่ไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็ยังไม่ถือว่าเป็นยุคทองอยู่ดีการที่จะเป็นยุคทองที่จะนําพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงได้ต้องมี3ประการคือต้องเกิดเป็นมนุษย์สองต้องมีพระพุทธศาสนาและต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมถ้ามีการศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปนี่ก็คือเรื่องของยุคทองของชีวิตที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราปิริโพเรนติสะขลง เอวเมววัตุทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระัศยทามนิโชติระัศยทาสัพพิติโยวิวัชางตุสัพโลโควีนาตุ มาเตผวะตวันตาลาโยสุขีที่ขายุโกผวะอภิวาธนสีลิตะมิจังวุธาปจายโนจตรมมารธรรมวัานเตอายุวันโอสุขังภาลาง่งช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 400ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ312สท่านทาง YouTube ดกตรวี59ท่านวิทย mm ุออนไลน์9ท่านขับฮาส์สท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ188ท่านรวมทั้งหมด9 7้บท่านครับถ้ามีคำถามก็ถามได้เลย ครับนรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากคุณแจมทางช่อง Dr. V c h ต n n e l ชานถามเข้ามาว่าการนั่งสมาธิเอาใจเอาจิตตูลมเข้าออกขณะที่จิตสัมผัสได้ว่าลมเบาแทบไม่มีลมขนาดนั้นกลัวจึงนึกถึงพระรัตนไตย นึกว่ากายไม่ใช่เราถ้าจะหมดลมก็ให้มันหมดไปนั่งไปเกือบยี่สิบนาทีจนจิตกลับมาสัมผัสลมได้ว่าหนักขึ้นจึงลืมตาออกจากสมาธิอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าลูกดำเนินมาถูกทางหรือไม่ควรดำเนินต่อไปอย่างไรเจ้าคะออทำความเข้าใจว่าไม่ตายหรอกมันนั่งสมาธิเวลาลมหายไปนะอันนี้เป็นอาการของ จิตกับลมจะแยกออกจากกาันแต่จิตจะเข้าสู่ความสงบนี้บางทีกลมหายใจนี้รู้สึกหายไปลมหายใจเฮืกสุดท้ายแบบนั้นแต่มันเป็นการรวมตัวของจิตแยกออกจากร่างกายร่างกายก็ยังหายใจอยู่เพียงแต่จิตไม่ไปรับรู้เท่านั้นเองแค่ไม่ต้องไปควานหาลมให้รู้เฉยๆรู้อยู่ที่จุดเดิมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็จะสงบลงรวมตัวลง ช่วงั้นช่ที่รวมตัวลงอาจจะรู้สึกว่าลมหายใจเป็นหายใจเฮือกสุดท้ายแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวพอแล้วหลังจากนั้นมันก็จะกิายความสุขกลาความสงบขึ้นมาบายใจขึ้นมาเจ้าค่ะจากช่องย t u b e พระจ่าเจ้าค่ะขอความเข้าใจการพิจารณาเรื่องสมมุติเราเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นแต่เมื่อถือ แต่เมื่อมือถือหรือกระเป๋าเราหายตัวตนจะเข้ามาทันทีเราจะพิจารณาเรื่องสมมตินี้ได้อย่างไรคะ้็มันไม่เที่ยงไนงะของมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปถ้าไปยึดไปติดมันก็จะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติ ด, ย, ด, ตดยอมรับความจริงก็จะไม่ทุกข์ใครจะมาก็ปล่อยเข้ามาใครจะไปก็ปล่อยเข้าไปเราห้ามเขาไม่ได้ เหมือนดินฟ้ากันฝนจะตกแดดจะออกนี่เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาได้ถ้าเราใจยอมรับความจริงของเขาฝนตกก็ยอมรับความจริงฝนแดดออกก็รับความจริงอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้ของที่เราไม่อยู่ไม่จากเราไปพอะมีความอยากนี่ม่ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นม าค่ะคำถามต่อไปสอบถามพระอาจารย์ พระเทวทั์ที่ทาผิดตอบพระพุทธเจ้าเมื่อสานึกผิดและจะไปขอขมาต่อพระพุทธเจ้าทำไมพระแม่ธรณีจึงสูกไม่ให้โอกาสได้พบขอขมากรรมคือสิ่งที่ทำไปแล้วขอขมากับไม่ขอขมาจะได้รับโทษนั้นต่างกันหรือคะโทษไม่ต่างกันแต่มันจะต่างกันที่ยังไม่ไปทํา ไ, ไป ท, ทําซ้ำซากถ้าเรายอมรับผิดแล้วคราวต่อไปเราก็จะไม่ทําอีก แต่ถ้าเรายังถือว่าเราไม่ผิดอยู่เดี๋ยวเราก็จะทำต่อไปได้การสารภาพว่าเราผิดนี่มันเป็นการยับยัง้งการกระทำาซ้งซากทําผิดซั้งซากได้แต่ถ้าเรายังไม่ถือว่าเราผิดเราก็จะทําทั้งซากต่อไปได้ท่านั่นเองแต่กรรมที่ทําไว้แล้วมันไม่ต่างกันเช่ไค่ค่ะคําถามต่อไปสําหรับท่านที่ ปฏิบัติไปถึงพระอนาคามีเมื่อตายไปแล้วสัญญาไม่ได้หายไปด้วยท่านเลยสามารถปฏิบัติต่อจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ใช่ไหมคะส่วนพระโสดาบันและสกิทาคามเมื่อตายแล้วสัญญาท่านหายไปเลยถูกต้องไหมคะไม่หายไม่หายสัญญาอยู่ในจิตจิตไม่ตายสัญญาก็ไม่ตายไม่หาย เวทนาสัญญาสังขารอยู่ในจิตจิตไม่มีวันตายเวทนาสัญญาสังขารเขาไม่มีวันหายแต่มีการเปลี่ยนได้เกิดดับเกิดดับได้อย่เจ้าค่ะจากคุณคณิ t ฐ a เจ้าค่ะกราบเรียนถามหลวงพ่อลูกปฏิบัติแบบพุทโธแบบเร็วๆแล้วสงบได้ง่ายแต่ก็จะสงบอยู่แบบนั้นไม่ไปต่อไม่ได้ลูกต้องทำอย่างไรเจ้าคะ อ่านั่งสมาธิก็เพื่อให้มันสงบสงบแล้วก็ให้มันสงบนานๆเพราะเป็นการาพักผ่อนจิตใจเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จอเบขาให้จิตใจมีพลังสู้กับความอยากต่างๆแล้วไม่ต้องไปทําอะไรพยายามรักษาความสงบให้มันอยู่นานๆแต่พอมันออกจากสมาธิมาแล้วถ้าอยากจะไปเจริญปัญญาก็พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยง เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่มีตัวตนเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองร่างกายไม่สวยไม่งามเป็นซากศพอันนี้เป็นการเจริญปัญญาเพื่อตัดกิเลสความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะอเป็นาการปฏิบัติอ่านอยากจะถามแนละ้วข อ, อย้ำมาแนละ้ว ส่งไปกลับเรกลักบอาจารย์เจ้าคะ่ะหนูสงสัยเมื่อสองปีที่แล้วเจ้าคะ่ะหนูหนูนอนหลับแล้วฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วหลวงพ่อท่านเทศเกี่ยวกับเรื่องผมขนเล็บฝ่าหนังแล้วก็อลริยามรรคมีองค์แปดแล้วทีนี้เสียงธรรมพระธรรมเทศนา ซึมทราบเข้าไปในตัวลูกอะเจ้าคะ่ะทุกทุกทุกอนูอนูเรียกถูกหรือเปล่าเจ้าคะ่ะทีนี้ดวงจิตของลูกแตกขึ้นมาเหมือนมิยันอักขระล้อมรอบตัวแล้วแล้วลูกก็สามารถที่จะรับรู้แล้วก็ทำอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกัน แล้วทีนี้ลูกก็เห็นรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีนรกมีสวรรค์มีถ้าลูกรู้เช่นนี้มาก่อนลูกจะไม่ทำบาปเช่นนี้เลยเจ้าค่ะแล้วเหมือนกับลูกได้เกิดใหม่อ่ะเจ้าค่ะเช่นคือตอนนี้ลูกบางครั้งลูกจะพังเผอแต่ลูกไม่ก็ยังไม่เห็นจริงเลยนจริงมันก็ไม่ทํานะเข็ดแล้ว แต่หรือว่าลูกอาจจะไม่ได้ทําหรือนได้จะทําหรือได้จะทําได้น้อยมากเจ้าค่ะอถ้ามันเห็นนรกเห็นสวรรค์มันก็ไม่อยากจะทำแล้วมันไม่กล้าทําหลังจากนั้นลูกก็ค่อยๆเดินทางเข้าสู่การภาวนาเจ้าค่ะก็ดีก็ทําไปเรื่อยๆพยายามตอกย้ําด้วยว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง อ, อีกหนึ่งคําถามนะเจ้าค่ะ แล้วตอนลูกเข้าสมาธิลูกสงสัยว่าลูกลูกเพิ่งจะเข้าสมาธิด้วยไ ด, ได้ได้ดีเพราะหลวงพ่อเทศแล้วลูกถึงจะเข้าสมาธิได้ดีอะเจ้าค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็ยังมีความคิดอยู่ในสมาธิแต่บางทีมันก็จะรวมมาที่หน้าผากแล้วมันก็จะเป็นแสงออกไปแล้วบางทีมันก็คิดอะเจ้าค่ะลูกมันยังไม่นน่งพอต้องพาวนาต่อไป ยังไม่สงบเต็มที่อย่าหยุดภาวนาอย่าไปตามดูแสงอย่าไปละตามดูอะไรให้กลับมาที่การภาวนาถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่านั่งเฉยๆเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ เวลานั่งสมาธินี้เราต้องมีสติอยู่กับการภาวนาก็คืออยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อย่าทิ้งลมหายใจอย่าทิ้งพุทโธมีอะไรโผลขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจมีแสงโผลขึ้นมามีความรู้สึกอะไรต่างๆโผลขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมันเป็นภาพหลอกเป็นมายามันจะมาหลอกให้เราเสียสมาธิเข้าสมาธิไม่ได้ การเข้าสมาธิต้องการให้ใจนิ่งสงบไม่เห็นอะไรถ้ายังเห็นอยู่ก็ต้องภาวนาต่อไปพุโทโธต่อไปหรือดูลมต่อไปจนกว่าจิตจะเด้งเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วก็เน่งและทุกสิ่งทุกอย่างเข้าว่างเปล่ามีแต่ความสุขมีแต่โอเบกขาอันนั้นแหะถึงเรียกว่าเราถึงจุดเข้าสมาธิได้แต่ก่อนหน้านั้นก็อย่าหยุดการภาวนาภาวนาไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องทำทั้งสองอย่างก็ได้ถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวถ้าพูทโอก็พูดโธอย่างเดียวเจ้าค่มีคำถามจากทางเฟซบุ o กเจ้าขอาการ์ดค่ะเวลาเราถอนตัวออกมาจาก ทำทานที่วัดหนึ่งคือเงินอย่างเดียวกับลูกศิษย์รู้สึกว่าคนที่วัดนั้นสบายใจเขาเอาเงินไปใช้แบบที่เขาต้องการ แต่ก่อนหน้านี้เราเคยแนะนำสิ่งที่ดีต่างๆคุ้มค่าราคาไม่แพงบางครั้งไม่ต้องเสียเงินด้วยซ้ำไปพอถอยออกมาใจเราสบายและคิดว่าไม่อยากให้เงินลูกศิษย์ที่วัดนั้นอีกต่อไปเอาไปทำที่เราสบายใจดีกว่าเช่นทำบุญที่วัดยานถวายอาหารปัจจัยสบายใจมากแบบนี้ถือว่าหลบ ไม่เข้าห้องสอบไหมคะที่ผ่านมาทำบุญช่วยเหลือคนอื่นเยอะแต่รู้สึกหนักไม่สบายใจค่ะก็ถ้ามันที่ไม่เหมาะสมที่จะไปทำก็อย่าไปทำทำที่มันเหมาะสมที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ <c oughs> ที่ทำให้เราสบายใจไม่ได้เป็นการตกข้อสอบเพราะเรายังทำบุญอยู่เพียงแต่เราเปลี่ยนที่ทำนั่นเองเหมือนกินอาหารกินอาหารล้านนี้แล้วบริการไม่ดีไม่อร่อยลองเปลี่ยนร้านอื่นดู เราก็จะบริการดี่อยเขาจะอาหารอะไรอร่อยการทําบุญก็เหมือนกินอาหารให้อาหารกับใจงั้นไปทําบุญก็เลือกวัดได้เลือกสถานที่ทําได้ไม่ทํากับวัดก็ได้ทํากับโรงเรียนก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทําได้หลายแห่งด้วยกันเจ้าค่ะ ย, ยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่าอะอมีใครอยากจะถามอไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง <laughs> ไปไปยั่วใครนั้นเนี่ยพี่ตานเจ้าค่ะโอเคถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้วาวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดสาธุ